ความตอนหนึ่งสอดคล้องกันกันกบสวยสุขเวทนาไม่มีอมิตรได้แก่สมนัตอาศัยเนกขมะเป็นไฉนคือการที่บุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปลปรวนความคลายและความดับแห่งรูปทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยบัญชาเขาไปค่ะแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดสมนัตขึ้นสมนัตเช่นนี้ทิตภากตเรียกว่าสมนัตอาศัยเนคขมมะเนคขมมะหมายถึงความปลอดโปรง่งจากกามหากผ่านกายานุปัสสนามาก่อนครบทุกขั้นตอนก็ต้องเคยอบรมจิตรู้ความเกิดดับในทุกบัตอาจเห็นความเกิดดับผ่านลมหายใจหรืออิริยาบถหรือความเคลื่อนไหว หรือความเป็นอสุภะหรือความเป็นมหาภูตะ ร, รูปหรือความเป็นศพอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งล้วนทําให้ปลอดโปร่งจากกางได้ชัว่วขณะบาปเหล่านั้นย่อมนํามาต่อยอดในเวทนานุปัสนาว่าด้วยการรู้เวทนาอันปราศจากอามิตรเพราะจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ตามลําดับก็จะไม่สะดุดจะมียอดต่อยอด ทนต่อทุนไหลเรียงมาอย่างต่อเนื่องเสมอความตอนหนึ่งซึ่งสอดคล้องกันกับการเสวยทุกขเวทนามีอมิตได้แก่โทมนัตอาศัยเรือนเป็นฉนะัยเมื่อบุคคลไม่ได้เห็นรูปทางตาอันเป็นเหยื่อล่อทางโลกดังปรารถนาหรือหวนระลึกถึงรูปทางตาก็เป็นเหยอล่อทางโลกที่ไม่เคยได้เห็นในการก่อนด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ตนเห็นไม่ได้ หรือว่าเพราะรูปนั้นล่วงเลยไปแล้วดับไปแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วจึงเกิดโทมานต์ขึ้นโทมนั์ชนิดนี้เราตถาคตเรียกว่าโทมานั์อาศัยเรือนสรุปคืออยากเสพผัสสะและเจียด้วยกิเลสอันใดแล้วก็ไม่ได้เสพอย่างใจนึกก็อาจเป็นเหตุให้เกิดโทมานต์ดได้ทั้งสิน้นความตอนหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับการสวยสุขเวทนาขออภัยค่ะสวยทุกขเวทนา ไม่มีอามิตรได้แก่โทมานต์อาศัยเนกขัมมะเป็นไฉนบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปลปรวนความคลายและความดับของรูปทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปลปรวนเป็นธรรมดาแล้ว ย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในความหลุดพ้นอันประเสริฐเมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในความหลุดพ้นอันประเสริฐดังนี้ว่าเมื่อใดตัวเราเจิงจากบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุบ้างก็ย่อมเกิดโทมนั์เพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้นโทมนั์เช่นนี้ที่ตถาคตเรียกว่าโทมานต์อาศัยเนกขัมมะสรุปคือ ความอยากได้มรรคผลนั่นเองเป็นเหตุแห่งโทมานต์อาศัยเนกขมะตรงนี้ท่านตั้งคอสังเกตพิเศษไว้ว่านับเป็นเรื่องสามัญที่นักภาวนาจะอยากได้มรรคผลแล้วก็เกิดความทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจอยากรู้จักอายตนะอีกแบบหนึง่งที่พระอริยเจ้าท่านเข้าถึงกันไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคต ก็ต้องทุกข์กันเพราะอยากได้มรรคผลแบบเดียวกันหากใครศึกษาวเวทนานุปัสสนาอย่างดีอบรมจิตให้รู้โทมานัตอาศัยเนใคขมะนี้โดยแยบคายก็จะไม่ไปติดยาในมรรคผลให้เสียเวลาเย่นเยอะแต่จะเป็นผู้รู้ทันตนเองแม้ทุกข์อันเกิดจากความอยากได้มรรคผลก็นำมาใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมได้ ไม่ต้องเว้นวักจากความภาวนามาจมจำกับความโทมนัชชนิดหนึ่งปลกเปล่ า, ลาอุเบกขาอาศัยเรือนเป็นไนคือเพราะเห็นรูปด้วยตาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุทุชนผู้ปราศจากปัญญายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะอวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับธรรมยังหยาบอยู่อุเบกขาเช่นนี้นั้นนีไม่พ้นรูปไปได้ เพราะฉะนั้นเราตถาคตจึงเรียกอุเบกขาอาศัยเรือนมหมายความว่าเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มได้แต่ต้องได้คิดนึกใดๆแล้วเกิดความรู้สึกเฉยๆถ้าว่าเป็นเฉยในลักษณะที่มีกิเลสแฝงอยู่เช่นเฉยเพราะเศษสุขจากวัตถุนั้นมาจนชาชินหรือเพราะทนทุกมาจากทนทุกมาจนด้านชาหรือเฉยแบบ เราคอยสิ่งที่ดีกว่าหรือเฉยแบบเฉยเมอใจยังมีลักษณะทึบเพราะปัญญาถูกปิดกัน้นไม่รู้เห็นภาษากระทบต่างๆล้วนเป็นอนิจจังไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้เป็นอุเบกขาที่ยังใช้ไม่ได้ตามมติของพระพุทธองค์อุเบกขาอาศัยเนขมมกขมะเป็นไฉนคือบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปลปลวน ความคลายและความดับของรูปทั้งหลายนั่นแหละแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและรูปในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็ย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นหนีไม่พ้นรูปไปได้ระฉะนันตถาคตจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนคขมะ ที่พระพุทธองค์ต้องกำกับว่าอุเบกขาเช่นนี้หนีไม่พ้นรูปไปได้หมายความว่าต้องอาศัยรูปคือเห็นรูปไม่เที่ยงจึงเกิดอุเบกขาช น, นิดนี้พระพุทธองค์ชี้ให้เห็นว่ายังมีอุเบกขาอย่างอื่นที่ไม่ต้องอาศัยรูปเป็นแดนเกิดอย่างเช่นอุเบกขาในรูปฌานขอภัยนะคะอุเบกขาในอะรูปฌาน เช่นอากาศานันจายัตนะซึ่งเคยกล่าวถึงในบทที่เจเกี่ยวกับอากาศกสินจะกล่าวถึงต่อไปในหลักปฏิบัติเบื้องสูงด้วยสรุปก็คือการตั้งสติรู้เวทนาแบบมีอมิตรและไม่มีอมิตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สังเกตความแตกต่างระหว่างเวทนาแบบโลกโลกอันหยาบกับเวทนาแบบผู้ปฏิบัติธรรมอันสุ ข, ขุม ว่ามีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรทำความทุรนทุรายอย่างเรียกร้องหรือผลักไสได้มากน้อยกว่ากันเพียงใดหลักปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเข้าใจหลักทฤษฎีเกี่ยวกับเวทนาพอสังเขตแล้วก็มาเข้าเรื่องแนวทางปฏิบัติขอให้พิจารณาพระพุทธพจน์อันเป็นบทเรื่องเวทนานุปัสนาดังนี้เศรษฐุขเวทนาที่รู้ชัดว่าเราเสวยสุ ข, ขเวทนา เสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาดูแล้วเหมือนง่ายดูแล้วเหมือนทำได้ทันทีก็แค่แยกให้ออกว่าตอนนี้กำลังสุขทุกขหรือเฉยเฉยแต่ขอให้เข้าใจว่าเวทนานุปัสสนานั้นหมายถึงอาการเอาเวทนาเป็นที่ตั้งของฐานสติ เป็นเครื่องอาศัยระลึกเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้นี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ให้ตอบตัวเองแบบวูบวูวบวับว่ากำลังสุขทุกข์หรือเฉยแล้วจบกันไปขอให้คิดแบบมีเป้าหมายว่าเราจะเอาเวทนาป้องกันให้สติและปัญญาทาให้จิตฉลาดในการปล่อยวางขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น จะเห็นเวทนาต้องรู้อย่างเป็นกลางว่ากำลังเห็นอะไรกันแน่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตั้งอยู่นานเพียงใดดับลงแล้วแปลเป็นชนิดไหนแต่มองแบบนี้จะเห็นว่าผู้เริ่มต้นมักจับจุดไม่ถูกเอาแค่แบบไหนที่เรียกสุขทุกข์หรือเฉยก็ทาความลังเลได้พอแรงแล้วจะรู้อย่างเป็นกลางให้ตามจริง ยิ่งทำความสับสนให้กับผู้เริ่มต้นเข้าไปใหญ่เพราะธรรมชาติคนเราเมื่อได้ไปจดจอ่อสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะดินเอาความเคยชินแบบตาจ้องดูหูเงียฟังมาเป็นหลักเมื่อสิ่งที่จ้องในที่นี้มาเป็นเวทนาเป็นนามธรรมราศจากร่องรอยรูปทรงเหมือนอย่างสีสันและสำเสียงก็ย่อมจะเกิด การทำอะไรไม่ถูกเป็นธรรมดาอีกประการหนึ่งถ้าได้ตามได้ถามตัวเองว่าขณะนี้กำลังสุขทุกข์หรือเฉยถ้าเอาความเคยชินของคนส่วนใหญ่แทนที่จะเข้ารู้ไปตรงตรงและตอบตอนเองตรงตรงก็จะมีอาการอย่างหนึ่งนำขึ้นมาคือตั้งใจรู้จนกระทั่งมีผลกระทบให้เวทนาเดิมเปลี่ยนแปลงไป เช่นถ้ากำลังเป็นสุขพอมีอาการตั้งใจดูก็จะเปลี่ยนความสบายของจิตใช้แล้วจิตเกิดภาระหน้าที่ต้องจ้องดูใช้แล้วสุขเดิมจึงกลายเป็นเฉยไปหรือถ้ากาลังเฉยพอมีอาการตั้งใจดูความเฉยเดิมเมื่อถูกเติมน้าหนักของภาระหน้าที่เข้ามาก็แปลไปเป็นอึดอัดกระเดียดไปในทางทุกข์แทนที่เพราะฉะนั้น แทนการเข้าไปรู้เวทนา ต, งตรงๆรก็อาจสังเกตผ่านสภาพแวดล้อมหรือเหตุปัใจจัยให้เกิดเวทนาหนึ่งหนึ่งซึ่งจะทําได้ง่ายกว่ากันมากแล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าเรารู้ตัวว่าแต่ละวันมีเวทนาใหญ่ๆอันใดเกิดขึ้นเป็นหลักคือเห็นภาพรวมก่อนว่าเรามีชีวิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วค่อยเจาะจงจำเพาะเข้าไป ฐานสติคือเวทนาก็จะแข็งแรงมีรากมั่นคงให้พร้อมพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปได้จักยาบถึงละเอียดฝึกสังเกตเวทนาที่เด่นประจำตน จุดประสงค์ของการฝึกข้อนี้คือให้อ่านออกว่าภาพรวมของเราโดยปกติมีเวทนาเป็นสุขทุกข์หรือเฉยเป็นหลักพูดง่ายๆคือรู้ตัวว่าชีวิตมีความสุขหรือทุกข์แค่ไหนซึ่งก็เป็นการพิจารณาเวทนานั่นเองเทียนแต่เอาแบบเรล้าอย่างที่สุดก่อนคือไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าสังเกตตนเองเป็นระยะระยะ อาจหลายชั่วโมงค่อยทําความรู้สึกเค่ทีหนึง่งอยู่ๆเมื่อนึกได้ก็บอกตอนเองว่าวันนี้รู้สึกเป็นอย่างไรเป็นหลักเมื่อรวมๆแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าช่วงนี้เป็นสุขทุกข์หรือเฉยซึ่งเมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะได้จับตามองเวทนาที่มาเยือนเราในฐานะขาประจํานั้นอย่างถนัดตนีอันจะเป็นสะพานเชื่อมไปรู้เวทนาอื่นๆ ตามมาได้ในภายหลังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราเห็นเวทนาประจำตนเองตรงจริงตามที่ปราศจากอคติหรือความเข้าข้างตัวเองก็อาจเล็งมาถึงนิสัยใจคอหรือโครงสร้างจิตใ จ, ใ, จในหลายๆแง่มุมเพื่อให้เกิดการรู้ตัวจากการสำรวจกันอย่างตรงไปตรงมา สังเกตนิสัยทางการคิดสังเกตแค่ง่ายๆว่าเป็นคนคิดมากหรือคิดน้อยปกติคนคิดมากหรือปุ้งจัดนั้นจะเป็นพวกที่มีความทุกข์อันเกิดจากพายุคลื่นสมองอยู่เป็นนิดส่วนคนคิดน้อยก็จะออกไปทางเฉยหรือไม่ก็กระเดียดไปในทางสุขอันเกิดจากความเยือกเย็นความเย็นใจลักษณะของสุข ด้วยความคิดคือใจที่ปลอดโปรง่งลักษณะของทุกข์ด้วยความคิดคือใจที่ทึบตันลักษณะของเฉยด้วยความคิดคือใจที่มัวมนนอกจากคิดมากและคิดน้อยแล้วก็ยังต้องซอยแยกออกไปอีกคือคิดมากนั้นคิดมากเป็นระเบียบหรือว่าคิดมากแบบฟุ้งซ่านไร้จุดหมายหาคิดมากอย่างเป็นระเบียบแล้วแม้วเบื้องต้นจะออกไปทางทุกขเวทนา ในที่สุดก็คลี่คลายกลายเป็นสุขเวทนาหรืออุเบกขาวเวทนาไปจนได้เพราะคิดแล้วจบเคดแล้วได้ข้อสรุปส่วนคนฟุ้งซ่านแบบไร้จุดหมายรักษาทุกขเวทนาไว้ได้เรื่อยๆเช่นเกิดเรื่องกังวลนิดเดียวก็จะคิดเป็นทุกซ้ำซากอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะมีเหตุปัจจัยมาแทรกแซงให้ทุกขเวทนานั้นอ่อนกำลังลงและ สำหรับคนที่คิดน้อยก็เช่นกันต้องมองตัวเองให้ออกว่าคิดน้อยอย่างคนมีสมาธิหรือคิดน้อยอย่างติดมือหากคิดน้อยอย่างมีสมาธิจิตก็จะทําให้กายได้ดุนหลั่งสารที่เป็นประโยชน์ออกมาเสมอๆซึ่งจะยังผลให้เกิดความสุขทั้งกายสบายทั้งใจส่วนถ้าคิดน้อยแบบติดมือนั้น กายมักจะมีความแปรปลวนหรืออย่างน้อยก็ส่อสภาพอ่อนแอไร้กำลังโดยมากมักจะทำเฉยหรือกระเดียดไปในทางทุกแบบคนไร้จุดหมายปลายทางไร้ความหวังและความแจ่มใสในชีวิตเมื่อตระหนักว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรมีวิธีคิดแบบฟุ้งหรือสงบก็เท่ากับได้มุมมองเวทนาที่ถูกต้องแล้วก็สามารถรู้เวทนาได้เกือบตลอดเวลา เช่นถ้าอยู่ในอาการคิดไม่เลิกก็บอกตอนเองได้เลยว่าขณะนั้นกำลังเกิดโทมนั์หรือทุกข์ทางใจเว้นแต่อาการคิดไม่เลิกนั้นจะมีเหยื่อล่อแบบโลกโลกให้เกิดโทมนัดหรือสุขทางใจเมื่อรู้ตัวว่ากำลังสุขหรือทุกข์เพราะความคิดก็ให้สังเกตเป็นระยะๆะะเหมือนแอบมองเล่นๆออกมาจากภายในว่าเมื่อความคิดสงบ เกิดความแตกต่างในเวทนาไปมากน้อยเพียงใดเมื่อพายุความคิดกลับก่อขึ้นใหม่เวทนาแปลตัวไปแบบไหนตรงนั้นจะเห็นความเกิดดับเวทนาอ่านไปพร้อมกับเหตุปัจจัยแค่เพียงเลิกหมกมุ่นกับความคิดเปลี่ยนเป็นเฝ้าสังเกตเวทนาอันเป็นผลของนิสัยทางการคิดก็จะได้พฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนไปมากแล้ว คือใจจะค่อยๆปรับมาทางเบาจากความคิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตามรู้ความจริงว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นได้ง่ายเพียงคิดให้น้อยคิดให้เป็นเรื่องเป็นราวคิดให้จบเท่านั้นสรุปหลักการสังเกตคืออาจจะตั้งคำถามเป็นข้อๆไว้ดูตัวเองเป็นระยะดังนี้กำลังคิดมากหรือคิดน้อย คิดอย่างเป็นระเบียบหรือแบบฟุ้งซ่านไร้จุดหมายระหว่างจิตคิดกับจิตสงบมีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อได้คำตอบก็จะเป็นขณะเล็กๆหรือช่วงเวลากว้างๆก็จะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาตามเป็นจริงว่าตนเองเป็นคนคิดแล้วสุขมากสุขน้อยหรือหาความสุขไม่ได้เอาเลยทุกมากทุกน้อยหรือหาความทุกข์ไม่ได้เอาเลย เชมากเฉ้น้อยหรือหาความเฉยไม่ได้เอาเลยสำรวจรู้สิ่งดึงดูดใจในแต่ละวันของตนเองถ้าเป็นคนมีจิตใจไม่อิสระต้องหาวัตถุยึดเหนี่ยวพึ่งพิงก็ต้องส่องกันหลายวาระเช่นถ้าเป็นผู้มีโอกาสดีได้เสพสิ่งที่ตนปรารถนาเสมอๆโดยปกติย่อมสวยสุขเวทนาอยู่แต่ถ้าโอกาสดีนั้นหมดไป นานครั้งก็จะได้เสพสิ่งที่ตนปรารถนาจิตใจก็ย่อมดิ้นรนจะตีเป็นสุขไปไม่ได้วาระนั้นก็ย่อมสวยทุกขเวทนาอยู่ขอให้สังเกตว่าบุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่รักของเรานั้นยิ่งถูกใจเท่าไหร่ยิ่งมีแรงดึงดูดจิตใจเราให้จ่อแม้อยู่ห่างไกลก็เป็นเสมือนแม่เหล็กทรงพลังที่ส่งแรงกระทากับจิตเราตลอดเวลา เมื่อตั้งแง่สังเกตเช่นนี้แล้วขอให้ดูง่ายๆว่าเมื่อสามารถเข้าถึงบุคคลหรือเอาวัตถุมาในมือได้อย่างใจย่อมเกิดความสุขสมหวังแต่ถ้าไม่สามารถเข้าถึงบุคคลหรือไม่อาจเอาวัตถุมาไว้ในมืออย่างใจย่อมเกิดอาการตรงข้ามคือเป็นทุกข์กระวนกระวาย ยังนึงไม่ออกว่าจะเริ่มสํารวจจากตรงไหนตนเองยึดติดจิตใจต้องพึ่งพาบุคคลหรือวัตถุภายนอกมากน้อยเพียงใดก็อาจจะนับจากปัจจัยสี่ก่อนเสื้อผ้าอาหารที่อยู่ยารักษาโรคใจเราวิ่งเข้าหาสิ่งเหล่านี้ด้วยความขีดความต้องการระดับไหนได้สนใจเสมอหรือไม่แล้วนับไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักรายการวิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตภาชนะแก้วแหวนเงินทองคิดถึงสิ่งใดขอให้สำรวจว่าปฏิหารขอภัยนะคะสำรวจว่าปฏิกิริยาทางใจของเราที่มีต่อสิ่งนั้นเกิดอยากขนาดไหนเมื่อเสพสิ่งนั้นแล้วสุขสงใจเพียงใดมันสังเกตเรื่อยๆเช่นนี้ก็จะได้ภาพกว้างๆขึ้นมาว่าเราเป็นคน อยากมากหรืออยากน้อยส่วนถ้าได้แจกแจงว่าธรรมดาเราสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจากระดับความอยากข้างต้นก็จะต้องดูว่าสมองอยากบ่อยหรือไม่ค่อยสมอยากสักเท่าใดนะักสรุปหลักสังเกตคืออาจตั้งคำถามเป็นข้อๆไว้ดูตัวเองเป็นระยะดังนี้กาลังอยากมากหรืออยากน้อยสมอยากหรือ ขัดขระหว่างกำลังอยากกับหมดอยากมีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อได้คําตอบจะเป็นขณะเล็กหรือช่วงเวลากว้า ง, างก็จะเกิดความรู้รู้ตัวขึ้นมาตามจริงว่าตนเองเป็นคนที่อยากแล้วสุขมากสุขน้อยหรือหาความสุขไม่ได้เอาเลยทุกมากทุกน้อยหรือหาความทุกข์ไม่ได้เอาเลยเฉยมากเฉยน้อย หรือหาความเฉยไม่ได้เอาเลยตระหนักในความมีเมตตาของตนเองในมหาสีหนาสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสกับชีเปลยืยเชิดกระสปะว่าเมตตาจิตนั้นคือจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนซึ่งหมายถึงการคิดการพูดและการทําอันไม่มีเวรกับใครไม่ได้เบียดเบียนใคร ให้เดือดร้อนในลักษณะอันตรงกันข้ามกับความไม่มีเวรเช่นการให้อภัยหรือลักษณะอันเป็นตรงข้ามกับความเบียดเบียนเช่นความมีใจเกื้อกูลย่อมเหมารวมเอาทั้งแง่ของทานและศีลเข้าไว้ด้วยกันในจิตใจอันเปี่ยมด้วยเมตตาเมตตาจิตนำมาซึ่งความปลอดโปรอมเบาสบายจิตโดยตัวเอง แปลว่ายิ่งเป็นคนนี้เมตตามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเป็นเงาตามตัวแปลกแต่จริงก็คือคนเราไม่ตระหนักในข้อนี้หรือแม่รู้ตามทฤษฎีว่าเมตตาแล้วเป็นสุขหน้าตาผ่องใสใจก็ฝืนกระแสะความอยากผูกเวรไม่ได้ต้านกิเลสข้อที่ว่าด้วยความอยากเอาอยากเบียดเบียนต่างๆนานาไม่สาเร็จ หากมันสังเกตเข้ามาจะมีความคิดและก็การกระทําของตนเองก็จะได้ภาพกว้างๆออกมาว่าเป็นคนเมตตามากหรือเมตตาน้อยถ้าเมตตามากอยากจะเป็นฝ่ายให้ไม่เคยจ้องเป็นฝ่ายเอากับทั้งจะให้อภัยเก่งไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวกับใครไม่สนใจเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบ สนใจแต่จะเอาสุขทางใจเป็นหลักนอกจากนั้นตัวความเมตตาที่แท้จริงนั้นแค่คิดก็คิดไม่ออกแล้วเรื่องตีใครให้เจ็บเพ่งแลงอยากได้ของใครอยากร่วมประเวณีกับคนนี้เจ้าขอ ง, ท, งทั้งที่รู้ว่าเจ้าของต้องเจ็บใจโป๊ปหมดเท็จทั้งรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงตลอดจนกระทั่งเสพสุรายา н รก ให้ใจขาดกระแสเมตตาเมื่อสำรวจความมีเมตตาจิตของตนผ่านแง่มุมเช่นทานและศีลอย่างละเอียดก็จะพบความจริงว่าโดยภาพรวมแล้วเราเป็นผู้มีสมนัสหรือความสุขทางใจมากน้อยแค่ไหนสำหรับปุตุชนทั่วไปนั้นดูดีๆต่อให้มีเมตตาปานใดก็จะพบทั้งความลึกคิดอันขัดแย้งกับเมตตาจิตเป็นคราวๆ เ, เมื่อรู้ ได้บ่อยๆกระทั่งจิตเกิดปัญญาขึ้นมาว่าคิดในแง่ไรเมตตาแล้วเป็นทุกข์จะคิดมันไปทำไมถึงตรงนั้นกระแสสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยรวมก็จะเด่นชัดให้จับรู้เป็นฐานสติที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆสรุปหลักการสังเกตคืออาจตั้งคำถามเป็นข้อๆไว้ดูตัวเองเป็นระยะดังต่อไปนี้ กำลังมีเมตตามากหรือน้อยเมตตาน้อยเกิดความนึกคิดขัดแยง้งกับกระแสเมตตาหรือไม่ระหว่างความเมตตากับมีเวรแตกต่างกันอย่างไรเมื่อได้คําตอบก็จะเป็นลักษณะเป็นขณะเล็กๆหรือว่าช่วงเวลากว้างๆ ก, ก็ให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมาตามเป็นจริงว่าตนเองเป็นคนที่มีเมตตาแล้วสมนัตมากสมนัตน้อย หรือหาความโสมนัตไม่ได้เอาเลยโทมนัตมากโทมนัตน้อยหรือโทมนัไม่ได้เลยไม่ได้เอาเลยเฉยมากเฉยน้อยหรือหาความเฉยไม่ได้เอาเลยฝึกสังเกตเวทนาตามพุทธปริยายหากเริ่มรู้เวทนาที่เด่นเป็นประจำตนเองได้บ้างแล้วแยกแยะให้ได้ว่าช่วงนี้กำลังมีความสุขมีความปลอดโปรง่งสบายใจช่วงนี้มีความทุกข์ มีความอัดอัน้นตันใจหรือว่าช่วงนี้มีความเฉยไม่ถึงกับสดชื่นแต่ไม่นับว่าห่อเหี่ยวก็ควรพัฒนาสติให้แข็งแรงจดจ่ออยู่กับเวทนาอันเป็นปัจจุบันมากขึ้นรู้เห็นให้ถี่ขึ้นกระทั่งก้าวสู่ความสามารถทางจิตที่จะรับทราบเวทนาโดยความเป็นธรรมชาติชนิดหนึง่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่น่ายึดมั่นถือมั่น เวทนาสองและเวทนาสี่ขอัยค่ะเวทนาสองและเวทนาหเวทนาสองได้แก่เวทนาทางกายเวทนาทางใจเวทนาหาได้แก่สุขกายสุขใจทุกทางกายทุกทางใจอุเบกขา ถ้าหัแยกแยะให้ออกว่าขณะหนึ่งหนึ่งมีเวทนากายหรือใจที่โดดเด่นอยู่เพียงเท่านี้ก็จะมีความฉลาดทางจิตเพิ่มขึ้นอย่างนึกไม่ถึงก่อนอื่นต้องยกตัวอย่างว่าคนทัท่วๆไปไม่มีความรู้เท่าทันว่าเวทนาที่กำลังเด่นในปัจจุบันนั้นเป็นไปในทางกายหรือทางใจเช่นบางคนไม่ค่อยเดินกลางแจ้งไม่ค่อยถูกต้องแดดร้อนพอจำเป็นต้องเดินกลางแดด ผิวถูกความร้อนเข้าหน่อยก็เกิดอาการทุรนทุรายทนไม่ไหวเหมือนกําลังถูกกระทาการทารุณสาหัสทั้งที่ความจริงไม่สบายผิวกายพอทนไม่หนักหนาอะไรแต่ใจกลัวผิวเสียกลัวเหงื่อออกเหนอะหนะคิดโทษบุคคลหรือสถานการณ์ที่ทำให้ต้องเดินมาปากแดดจึงเหมือนจะทนไม่ไหวไารว่าจะตายเอาเดี๋ยวนั้น พูดง่ายๆก็คือถ้ารู้ขอบเขตของทุกข์กายอย่างเดียวไม่เกิดปฏิกิริยาทางใจคือเสวยแต่ทุกทางกายไม่เกิดโทมนัสคือทุกทางใจก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนคนเรามักเสวยทุกทางใจแล้วก็ร้องว่าโลกไม่ยุติธรรมทั้งที่จริงทุกเป็นบทลงโทษทางใจอายุติธรรมสูงสุดสําหรับคนคิดมากเราจะคิดน้อยลงเมื่อ เพียงเริ่มสังเกตแยกแยะออกว่าขณะหนึ่งหนึ่งเวทนาทางกายเป็นอย่างไรเวทนาทางใจแตกต่างกันหรือไม่ขอเพียนย้ายความสนใจจากเวทนาใจไปอยู่กับเวทนาทางกายก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าการครองอัตภาพมนุษย์นี้เวทนาทางกายจะหนักไปทางสุขหรือเฉยเพราะฉะนั้นถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์ทางใจเป็นหลักในทางกลับกัน เมื่อสังเกตสุขเวทนาหากลองแยกแยะ ก, กันจริงๆแล้วน้ำหนักความสุขทางใจน่าจะท่วมท้นเลือกเกินและก็ยึดระยะได้ยาวนานกว่าสุขทางกายเป็นอันมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นหน้าตาใครหล่อเหลาหรืองดงามถูกใจหรือได้ยินเสียงใครไพเราะสนะโซดและก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขที่ได้เห็นที่ได้ยิน ความสุขนั้นจะกินเวลาเพียงสั้นเมื่อมองหรือฟังนานไปใจจะค่อยๆถอนค่อยๆถอยออกมาจากความสุขเมื่อแรกพบ